เรื่องให้รีดหนึ่งเรื่อง187สมัยนั้นยญิงมีคันคนหนึ่งบอกภิกษุที่น่งกระทำว่าพระคุณเจ้าโปรดรายาทำแคงให้ด้วยเถอดภิกษุนั้นตอบว่าน้นองหญิงเธอจงรีดนางรีดคันทำให้แคงบุดภิกษนั้นเกิดความขมวลใจว่าเราต้องบำบัดป่าอาชิกหรือนอจึงนำเรื่อง กล้องตัดว่าพิสูจเธ อ, อต้องมาบัตรตาอาชิก